ก็คือฝั่งเรื่องของเรานี่แหละเรื่องของเรามีกายมีใจกายมั้นก็มีอยู่ใจก็มีอยู่ปัญหาเกิดขึ้นที่กายที่ใจการแก้ปัญหาก็แก้ที่กายที่ใจเราจึงมาศึกษาเรื่องชีวิตลอยแท้ศึกษาคือต่หลงย่อยออกจอให้เป็นดุนเป็นโกตร ความหลงก็จะให้เป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนจริงๆยอมสุขความทุกข์มันหน้านาวให้เห็นย่อยแยกออกความหลงก็มีจริงแต่มันไม่จริงมีความรู้มีจริงแต่มันจริงกว่าความหลงความทุกข์ก็ไม่จริงมีอยู่จริงแต่มันไม่จริงความไม่ทุกข์จริงกว่าความทุกข์ให้สัมผัส สองอย่างนี้ลองดูจะรู้จกเลือกเราจึงมาฝึกตนสอนตนมันมีให้เราสอนอยู่มีให้เราบอกอยู่มีกายเอากายมาผิดอุปกรณ์ความรู้สึกตัวนีใจก็เอาใจมาเป็นเครื่องฝึกตนให้มีความรู้สึกตัวมันก็หลงอยู่ที่กายที่ใจนี่จึงมา ดูเลยอย่าให้มันโลอดสายหูสายตาไปได้ตาในคือสติสัมจัญะมันเห็นโลกไม่เหมือนตาเนื้อมันเห็นทางเดียวไปทางเห็นทางหน้าหันหน้าไปทางไหนก็เห็นทางนั้นแต่ตาในคือความรู้สึกตาลึกได้นี่มันมีหน้าโลกหูดีเทียมก็ลู่ได้ รูต่อในไม่เหมือนรูต่อเนอื้อจะหมูได้กินเล่นได้ลดกายสัมผัสจิตใจคิดนึกหนังก็รูดได้แต่เวลาเราเฝิกหัดจริงๆเรามาเอากายเป็นที่ตั้งให้มันรูอยู่ที่กายนี่ยาวๆ น, น, นานๆเอากายไปจุ่มเอาความรู้สึกตัวให้กายมันติดกับความรู้สึกตัวจะได้ก็เจตนา กำหนดรีวิวสิบสจังหวะให้มันตามลองดูทําไปทําไปก็อํานาญง่ายที่จะรู้ทำใหม่ใหม่ง่ายที่จะหลงไม่เป็นไรความหลงมันทําให้เกิดความรู้ได้แต่ให้ความหลงเป็นความหลงมันเปลี่ยนได้หรือว่าปฏิบัติปฏิบัติคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูก ถ้าไม่เปลี่ยนไม่ชื่อว่าปฏิบัติถกมุ้นคุ้นคิดไม่รู้จักรู้สึกตัวอ น, นั่นไม่ใช่สอนตนไม่ใช่ปฏิบัติอาจจะเป็นวิปัสสนึกไม่ใช่เป็นวิปัสนาคิดนึกเอาได้เหตุได้ผลหาคําตอบจากความคิดเหตุผลไม่ใช่กรรมฐานกรามฐานไปจะเองกัน รู้สึกตัวก็รู้จริงๆนี่มือวางอยู่นี่ยกอยู่นี้เดินอยู่นี้ให้มันติดถ้ามันติดแล้วมันลืมไม่เป็น้หเหมือนกันติดท่นอื่ น, นสติไปติดอยู่ที่กายสติไปติดอยู่ที่ใจมันหลงไม่เป็นจนมันเห็นจนมันเกิดความเห็นมันเห็นไม่ใช่ตาเนื้อเห็นเป็นตาในที่มันพบเห็นเขา้า อันนี้เป็นรูปคือนั่งเคลื่อนไหวไปมาเป็นดุนเป็นก้อนไปเป็นรูปอรูปนี่กำลังทําดีมันรู้สึกตัวนี่รูปมันทำดีอยู่สิ่งที่รู้สึกตัวนี่มันรู้รายได้เป็นนามมา ท, พ Stuff, ทาพร้อมกันทำความดีอยู่เมื่อมีความรู้สึกตัวรูปก็ทำความดีนามก็ทำความดีรูปก็ทำละความชั่วนามก็ละความชั่ว ขณะที่ทําความดีจิตมัง่งบริสุทธิ์รูปบริสุทธิ์เมื่อรูปบริสุทธิ์ปิตใจบริสุทธิ์นามบริสุทธิ์ก็กลายเป็นศีลขึ้นมาไม่ใช่ศีลสมาทานเป็นศีลที่เกิดขึ้นเป็นศีลสิกขาศีลสิกขาในมันถลุงกิเลสถลุงความชั่วกิเลสคือความชั่วความเศร้หมอ ง, องมันถลุงออกความหลงน้อยลงความทุกข์น้อยลง แม่มีก็มีผิวผิวผนผืนเาบาวางจางคายไปได้เออความหลงความทุกข์ความโกรธเป็นตายอายของรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนต้องรู้สึกตัวเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจไม่เสือนเหมือนเมื่อก่อนแต่ก่อนในกายมันเผื่อนใจมันเถือนต้องหิ้วไปไหนก็ไป ตาหิ้วไปก็ไปกับตาเข้าหลงหนังลงละครใจก็ไปใจก็ไปก็เม่ยคืนยืนไม่อยู่เวลาหลับเวลานอนก็ไปถ้าเขาหิ้วไปมันพวกมันเถื่อนมันสมสน่นเป็นโสภินีโสภินีจิตโสภินีกายเราหิ้วไปอะไรก็ไปไปจินเล่าโอยาไปฆ่าไปตีกันก็ไปใจก็สมสน่นหมกมุ่นคุค้นคิด เอาหิวไปไหนก็ไปกลงเกินว่าฝันกลางมันว่ า, าคิดไม่ได้ อ, อยู่กับเนื้อกับตัวเลยจึงมาฝึกตนอยู่บ้านเข้ า, าขบ้านมีเจ้าของซะบ้านมีเจ้าของอะไรมีเจ้าของสิ่งนั้นก็ปลอดภยัยแต่ใจของเราม่มีเจ้าของไม่ความรู้สึกตัวจึงมาฝึกตนสอนตนย่อให้มันเตือนลักงวนสมวนตัว ต้งรู้ถึงตัวจาบริสุทธิ์เป็นพรหมจรรย์พรหจรรย์คือบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาเห็นรู้เห็ น, หนพบเห็นไม่ใช่ชิดเห็นพบเห็นมันเดี๋ยวนี้รู้เห็นมันเดี๋ยวนี้ชิดเห็นมันนานเกินไปอยู่กยกยไกลๆเหมือนลมไปพบเห็นมดป่าสุโกโต นี่คือวัดป่าสุโกโตนั่งอยู่นี่เดินอยู่นี่นอนอยู่นี่นี่คือพบเห็นการพบเห็นอย่างนี้ไม่ลืมถ้าใครพูดถึงวัดป่าสุโกโตไปเห็นแล้วผ่านแล้วถ้าเราไม่เคยมาสัมผัสมาพบเห็นเพียงแต่คิดเห็นนั่นมันอยูย่ไกลมันไม่เป็นจริงเห็นจติติเห็นความหลงตัดถิงใจได้ ความหลงกไม่มค่าผมรู้สึกตัวเข้าข้างวงรู้สึกตัวอิงธรรมเบียงศีลเข้าไปอาศรรัยเรียกว่าพึ่งไปได้หลักได้ฐานมีหลักฐานถ่องกิจใจไม่จนแต่ก่อนมันจนไม่รู้จะเป็นอย่างไงสุมไล่ค่อมดีพอมันได้หลักได้ฐานเราก็มั่นจน ชีวิตที่ไม่จนในอาภัพแต่ก่อนนี่ไม่มั่นใจตัวเองไม่รู้จะเป็นอย่างไงในใจก็พึ่งใจตัวเองไม่ได้ไม่มั่นใจแล้วใครจะพึ่งเราได้อะไรที่มันมั่นคงไม่มีเลยเพราะไม่เคยฝึ ก, กจิตใจตัวเองอยากจะบอกเบาระสาธรรมน้องตาไม่พูดก็ผ้าจานท่านสอนโย ให้บรรเทนเขาจริงยิงเคยถูกครูอาจารย์บอกสอนเหมือนกันจชกนเคยตื่นโดยหลนเรื่องนี้แต่ก่อนก็รู้เหมือนกันรู้ถึงว่าดีกว่าคนหมนแต่ก่อนสาคัญมันหมายก็ถูกหลวงปู่เทียนสอนหดตัวเลยสิ่งที่เรารู้สาคัญว่าดี หลวงพ่อเตือนเราทิ้งไปแล้วจริงที่หลวงพ่อเตือนสอนเราไม่รู้เช่นความรู้สึกตัวเนะให้ยกมือเคลื่อนไว้ให้รู้อยู่นี่นะแต่ก็เราไม่แต่ความรู้อันอื่นไม่เคยรู้กับความเคลื่อนไหวสิบสี่จังหวะให้รู้สิบสี่จังหวาตามอยู่นี่ว่าได้หลักเดาเพื่อฝึกมันก็หลุดไปนั่งอยู่พุทธยานหลุดไปที่นู่นที่นี่ ถึงบ้านถึงช่องถึงปติพี่นองบุปัญญาสามีกลักความชังมันเปิดเบื่อนมาเยอะแยะกลักก็เป็นแผลความชังก็เป็นแผลความสุขความทุกข์เป็นแผลมีรอยแล้วก็มีสัญญาทาให้วนเวียนอยู่สิบปียี่สิบปียังเอามาคิดก็ขับมามารู้จึกตัว ใช่ไหมมันไปกรุงเทพไหมไปไปั๊บกลับมาไปบุรลรัมไปสุรินทร์ไปสุปสขโขทัยไหมกลับมาพอใจตอนเด็กเอานั่งอยู่พุทธิยอดเด็กพุทธิยานมงเลยวิ่งไปวนกลับมาไม่ใช่มานั่งชิดลานี่เราออกจากบ้านจากเดือนมาปฏิบัติไม่ใช่มาชิดนี่คือของจริงการชิดไปโน่นไม่จริงแต่รู้อยู่นี่มันจริงสัมผัสปั๊บ กลับไปกลับมากับไปกับมามันไปกลับมามันไปกับมาสนมันตรงนี้มันหลงมันละเีที่สุดมันคิดมากยิ่งดีใหญ่จะได้เห็นมันเหมือนเราไปทำอะไรเห็นจับป่าเห็นป่าที่มันจับผิดจับถูกมันดีสนุกสนานดีมันลุกไปกลับมามันคิดไปกับมามันทุกข์กับมามันสุขกลับมา มันปวดมันเลกปัญชังกลับมานี่เราของจริงอยู่ที่พุกต้นไปพึกตนไปมันก็เห็นตัวชิดไปบ่อยเห็นตัวหลงไปๆ่อยมันชํานาญตรงเนึกชักเอกันได้มันคนออกคนนึงเข้าคนนึงจะออกคนนึงจะเข้ามันประตูเราพ่อประตูอยู่คนจะเข้ามาแล้วก็เห็นออกไปเห็นทีแรกว่าผิวเผยพอเห็นก็จริงจริงมันก็ จับได้เลยเถิดเรว่าจักเอะธรรมะคือชักเอะกันต่อหน้าต่อตาคานังคาเขาตัวหนองหลงตัวหนงลูกโอ้ยนี่ตัวลูกนี่คือตัวหลงแน่นอนที่สุดคือเป็นทุกข์พวกของหลงก็เป็นทุกข์พวกความคิดเลยเป็นทุกข์พวกลูกตัวผู้ีอะไรที่มันติดอยู่ในลูกเนี่ยเขาก็เห็นเงื่อนไข เห็นธรรมเห็นปฏิจจสมุปบาทเหตุมันอยู่ตรงนี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปชชมบาทปฏิจจสมุปบาทคือเนื่องด้วยกันเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่เราเพราะมีดวงอาทิตย์จึงมีก้อนเมฆเพราะมีก้อนเมฆฝนจึงตก เออผลมันตกถนนมันลื่นถนนมันลื่นเออเราเดินถนนเราจึงหกร่มเาะเราล้มหัวเราไปถูกต่อไหมเาะหัวเราไปถูกต si mm. ่อหัวเราจึงแตกเอะหัวเราแตกเราจึงไปหาหมอเาะหมอเห็นหัวเราแตกหมอเย็บแผลให้เอะมีแผลในหัวหมอให้พักหลงวานนอนอยู่หลงวานโอ้โชคด้วยโชคด้ยโชคด้วย โชคร้ยโชคไม่ดีหัวแตกหัวแตกเอาเป็นโชคไปเลยโชคร้ายไปเลยไม่ได้มองว่าเพราะทางนั้นเพราะสชิงนั่นเพราะเชิงนั้นเพราะเชิงนั้นทำไมถึงโกรธเพราะเราหลงทาไมจึงทุกข์เพราะเราหลงทาไมจึงหลงเพราะไม่มีสติทําไมไม่มีสติเพราะไม่ได้ฝึกหัดตั้งแต่ทำไมไม่ฝึกหัดเพราะไม่มีเวลาทำไมไม่มีเวลาเพราะไม่ได้หาเวลาเหมือนท่าทางหลายหมาเนี้ยนั่นเนื่องเลยกัน อย่าไปโทษคนนั่นทําให้เราโกรธคนนั่นทำเราโยกไปไม่ใช่เลยมันอยู่ที่เราอันอื่นไม่ใช่มันอยู่ที่เราแท้ๆอยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่ยลองมาจับตรงนี้ได้เราสิลุยมันเลยในโลกเนี่ยลุยมันเลยเมื่อมันชํานาญในเรื่องนี้ก็เข้าล่วงไปเรื่อยๆเข้าล่วงไปเลยเมื่อไปหลงอะไรมจะเกิดขึ้นเมื่อไปหลงอะไรมันจะเกิดขึ้นมันลู่มากลู่เมืองลู่มหาลู่ มหาสติปัฏฐานมันจะเกิดอะไรเกิดถ้ารู้มากพิสูจน์ต้องนี่ลงรู้ผู้ใดมีความรู้จักตัวอยู่หนึ่งวันหรือเกีวันต่อเนื่องอย่างกลางหนึ่งเดือนหรือเกียเดือนต่อเนื่องอย่างยะหนึ่งปีหรือเกดปีอย่างต่อเนื่องจะเกิดอา น, นิสงส์สองประการหนึ่งเป็นพระอาณาคามีบุคคลสองเป็นพระละหันละอัลหันคือไกลจากกิเลส ไม่ใช่ละหันหองเอิญนันฟ้าไกลจากค่าศึกแนใจไม่เปิดเปื้อนกับบาปทุจริตไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมรักลูกรักเมียรักปัญญาสามีรักทุกอย่างไม่มีคําว่าอิจฉาเบียดเบียนกลมลักเป็นเครื่องค้ำจูนโลกอาณาคารีก็คือผู้ที่มีภพเดียวถ่าหลงหลงข้างเดียวไปเลยเลยถ้าโกรธโกรดนิดหน่อยไปเลย ตุกขก็ไปเลยทุ่มีภบเดียวไม่เหมือนปุถุชนปุถุชนทุกโกรธเรื่องเดียวกี่ครั้งหลายภพหลายชาตินับไม่ถ้วนคิดขึ้นมาเราโกรธคิดขึ้นมาเราโกรธจนคิดเรื่องเดียวโห่ใจที่จะโกรธถ้ากูดได้โกรธตายก็ไม่ลืมมีไหมถ้ากูดได้โกรธตายกูไม่ลืมมันไม่ลืมประนันมันมีปุตุถุกแปลว่าหนานะ พระอนาคามีปับไปเลโอ้เหมือนเหดูพุนไปเลยสมายเลยผู้มีภพกันเดียวผุุ้จชนหนึ่งร้อยภพร้อยชาติควงทุกข์ก็ทุกแล้วทุกข์อีกเรื่องก่าเอามาคิดปีกายนี่ผ่านมาแล้วเอามาคิดแล้วบางทีก็ให้มานอนอยู่กับเราข้ามวัมนข้ามคืนอล้นี้ใครห้ามเวลาโกรธยาโกรธแม่เอ้ยน้องเอ้ย ไม่ได้ให้โกรธไปได้ถ้าไม่โกรธก็เป็นหมามันว่าเราปนญหาว่าคนมันโกรธเป็นหมามองมองผิดมฉาทิฏฐิมองความทุกข์เป็นตัวเป็นตนเมื่อเราโมโหขัดเห็นกายไม่เป็นพบเป็นชาติเป็นทุกข์เป็นสุขเพราะกายเห็นธรรมชาติกายสวัสกกายไม่ใช่สัตว์บุคคลโตตน์ลราเข้าย่อยออกไปแล้ว แต่ก่อนกลายเป็นตัวเป็นตนโลนคือกูหนาวคือกูปวดคือกูหิวคือกูสุขทุกข์คือกูเอากายมเป็นกูพ่อมาลู่ไปรู่ไปเห็นเลยกายจักว่ากายอะไรใช้จัดอุค์ตนตัวตนเราเขาอืมอมันก็โปคือลงบ้างกายเคยมีน้ําหนักร้อยกิโลเมื่อเห็นกายจักว่ากายอะไรที่เกิดเกิบกาย เห็นเป็นกายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุกน์โตัวนเราเขาขอบคุณกายหนูมันหิวเป็นขอบคุณความหิวไม่ใช่ทุกข์เอาความหิวหมดเป็นตัวปัญญาขอบคุณถ้ามีหิวมันก็อันตรายสัญญาณภัยมันบอกมันหิวดีใจเวลาหิวข้าวแต่ถ้าเราไม่รู้ทุกข์ใจเวลาหิวขา้าว มอย่ามาใกล้กูนะกูกำลังหิวเป็นศึ ก, ห, กหัวข้าวก็มีเออหิวข้าวมาช่เรื่องทุกเป็นหน้าภูมิใจ อ, อายุเจ็ดสิบแปดสิบปีเหมือนหลงตาหลงปูใหญ่หิวข้าวอยู่โอ้ยชื่นใจอายุป่านนี้เราหิวข้าวเหมือนเด็กนอเนี่ยเรว่าดีที่สุดแล้วไปทุกทำไมไม่ใช่ตัวใช่ตนจะได้ ช่วยมันมันร้อนมันหนาวดีแล้วนั่งนานมันปวดเมื่อยถูกต้องแล้วไม่ใช่เรื่องทุกเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายกับขิดเป็นสุขเป็นทุกไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นเวทนาจากว่าเวทนามันมีอยู่ของมันเองโลอนเป็นหนาวเป็นปวดเมื่อยเจ็บไข้ได้ป่วยเป็น ใช่แรงงานเกินไปก็รู้จักปวดจักเมื่อยสวัสดรล่อนสวัสหนาวมันรู้จักเจ็บปว่วยล้วก็ถูกต้องแล้วจะได้พักผ่อนรักษาเพื่อให้มันปลอดภัยมันก็สักประเวทตาไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวโนเลาเขาคิดที่มันคิดไปโน่นไปนี้มันห่อผิวออกไปมันก็ไม่ใช่ตัวเจ้ตน แต่ก่อนเราคิดอะไรนึกว่าถั่วทั้งนั้นไปกับความคิดหาคำตอบจากความคิดให้ความคิดผ่าสุขว่าทุกข์มันก็สักบายจิตไม่ใช่จัดปลุกคนโตต่อเราเขาโอ้ยตั้งแต่นี้ต่อไปอันว่าสุขว่าทุกข์จากความคิดจะไม่มีอีกแล้วเพราะสุขว่ทุกข์จากกายจะไม่มีอีกแล้วเป็นธรรมชาติสุขทุกข์ที่เกิดจากความคิดไม่มีอีกแล้ว เป็นปัญญาแล้วสุขทุกข์ที่เกิดาก็จะกายเป็นปัญญาแล้วอย่างเนี้ยเห็นธรรมธรรมคือเป็นคุม่มไลอยขุ่มดีบางทีก็มีศรรมีลมีความปกติมีความสุขสงบนึง่งก็เป็นธรรมมันหนึ่งเป็นกุศลก็อย่าไปหลงอย่าไปหลงสุขกับธรรมที่เป็นกุศล บางทีเป็นหลงมากๆติดสงบมากๆ ก, ก็ไม่ใช่บางคนติดสมถะติดสุขแล้วออกจากหอพยบาลไปเข้าป่าก็มีนะไม่ใช่อย่าไปติดมันมันสุขมันสงบก็รู้ให้เห็นมันอย่าเข้าไปเป็นเป็นผู้สุขเป็นผู้สงบไม่ใช่เห็นมันสุขเห็นมันสงบเห็นมันพุ่งซ่านเห็นมัน ขำเคียดก็อย่าไปหลงหรือว่าเห็นธรรมอ า, าการนี่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจขี้หน้ามันเลยเพียงแต่เป็นอาการที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ตัวช่ยตน้นความหิวก็เป็นอาการของกายความร้อนความหนาวเป็นอาการของกายความโกรธความโลภความหลงเป็นอาการของ จ, จิตใจไม่ใช่ใจสวาทุกข์ วรวมลัวของชังเป็นอาการของใจใจมันอยู่ปกติของมันเองบ้านของใจคือปกติเวลาใดๆมันผิดปกติหรือ ว, ว่าใจพัดถิ่นวัดบ้านไปแล้วให้รีบเข้าบ้านหาความปกติให้ได้ฝึกตนสอนตนงั้นเรามีบ้านอยู่เวลาฝนตกวิ่งเข้าบ้านเวลาแดดออกวิ่งเข้าบ้านเข้าล้มจิตใจของตนที่ฝึกดีแล้วนะ มันมีบ้านเป็นนมัตะในที่สุดบ้านนันเนี้ยไม่มีการเกิดเจ็เจ็บตายคือไม่เป็นอะไรกับอะไรหรือว่าชีวิตที่มีบ้านถ้ายังพัดถิ่นพัดบ้านคงไล่ขมดีผู้ผู้แพร่แพ ร, พ ร, ร่หรือว่าจนหรือวาพับคนอาพับอับจนมีบ้านหรูหราก็อ น, นอนไม่หลับหัวแต่คิดหมกมุ่นคนคิดมีแต่อารมณ์ พุเข้ากับกิตใจของตนไม่สั่งสาหนักละหาเวปันจะขันดาขันนั่งให้เป็นของหนักไม่รู้จักปล่อยจกวางวางไม่เป็นเย็นไม่ได้ถ้าวางก็เบาถ้าเอาก็หนักกิตใจนี่เอาไม่ได้เพีแต่วางวางไม่เป็นไรอารมณรู้สึกภายในไม่เป็นไร อย่าไปมีความรู้สึกไม่ไหวไม่ไหวแย่เยอย่าไปใช้ความรู้สึกประเภทนั้นอะไรเกิดขึ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอนก็ไม่เป็นไรหนาวไม่เป็นไรหิวไม่เป็นไรเตะทำตัวให้มันดีก็บว่าไม่เป็นไรนี่มันทำตีแล้วว่าไม่ไหวทำดีไม่ได้ทำดียากแล้วว่าไปเป็นไรยังก้มหน้าก้มตาทำงานทำกัน เขาน้นทธอก็ไม่เป็นไรเขาส้นเสริญไม่เป็นไรช่างมัมันช่างมัมันเป็นเช่นนั่นเองตามใจอย่างนี้ใจอย่างนี้ใจไม่จนใจอย่างนี้ต้องฝึกตนพอท้องควรอะไรก็ไม่ไหวอะไรก็แย่ร้อนก็แย่หนาวก็แย่หิวก็แย่มันไม่ใช่แย่มันไม่เป็นไรหลังต่ายังมี ยังสวนทางกับเพื่อนอยู่คข้างหนึ่งเพื่อนรถไปเทศอดที่เชียงใหม่เทศอดเมื่อไรที่อาจารย์ทรงศรีเรียนอยู่เมื่อก่อนอาจารย์ทรงศรีเป็นนักศึกษาอยู่ที่พยับราชมงคลพยับเชียงใหม่ท่านเป็นนักศึกษาหลวงตาไวปสอนเท่นั้นที่สิบสามสิบปีแล้วเรานั่งรถสีส้มขนแกล็ พอขึ้นนั่งรถรถเก่าๆห้อยร่างข้างหลังพอ เ, เปิดคนก็แย่งกันขึ้นไปจองที่นั่งรถก็ไออกติดเครื่องมันก็ล้นไม่มีพัดลมมันล้ลนเพื่อนเราไปดูการส่องลูกก็นั่งบนไม่ไหวไม่ไหวเย่เย เ, ย, เ ย, ย่ตายตมันนั่งข้างหลังเครื่องอยู่ข้างหลังหมด มันออยเครื่องขึ้นมาแล้วก็ลุกนี่ลุกตนเราก็เอาผ้าอาบน้ําไปปิดให้ก็ยังร้อนอยู่ไม่ไหวไม่ไหวแย่แย่ย่ตายตายตายเงือกซมอนตาก็นั่งกันข้างอนตาก็พูดในใจไหวยไหวไม่แย่ไม่แ yeah, yeah, ย่ไม่ตายไม่ตาพูดสวนทางกับพี่สองเขา เพื่อนเราไม่ไหวไม่ไหวแย่แย่แยเแย่ตาตายเก็นั่งอยู่เฉยไหวไหวไม่แย่ไม่เย่ไม่ตายไม่ตายไม่เป็นไรไม่เป็นลรใจมันก็ค่อยร้อนเหงื่อก็ไม่ออกมาถ้าทํางใจนะถ้าร้อนรอยเปอร์เซ็นถ้าไม่เป็นไรใจร้อนรอยร้อยเปอร์เซ็นใจเหลืออยู่ห้าสิบเปอซ็นองดูนะตะขาบมันตอดกัด ปวด1 0อยเปอร์ซ็นเป็นเช่นนั้นเองเวทนาไม่เที่ยงลูกไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนเราไม่เป็นผู้ปวดเราไม่เกียนผู้เก็บเราก็เห็นความไม่เที่ยงเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเหลืออยู่ห้าสเปอร์ซนตะขาบกัด1้อยเปอร์เ็นปวดตุบตุตุกตุตตต ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหลืออยู่ห้าสิบเปอร์เซไม่ต้องลองโอ้ยโอยลองดูนะเอาธรรมะไปชะลอการเก็บป่วยได้านะลองใช่ไหมอย่าเป็นผู้เก็บเห็นมันเก็บลองดูเถอะอย่าเป็นผู้โลนเห็นมันโอนอย่าเป็นผู้ทุกเห็นมันทุกอย่างเนี้ยเอาไปาวางเพื่อพิการไปไม่ต้องเป็นอะไรกับอะไร สุดยอดเลยไม่เป็นอะไรกับอลไรเป็นชีวิตที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยในโลกนี้นี่ดสุดยอดของชีวิตเราจะเป็นไปเพื่อความหลับทุกเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปรีณิพานนิพานคือเย็นเย็นจะอย่าร้อนฝึกตนสนตนถ้าไม่ฝึกมันไม่ได้นะทุกวันนี้มัมีตามีหูมีจมูกดิ้นกายใจวัตถุ ลูกแห่งกรรมคุณลูกรถกลินเฉียงเป็นดงทุกวันนี้มองดูโรงหนังโละครเมากลัวโรงเรียนแหลงโสภณีมากลัวโรงพยาบาลใบบุกเมากลัววัดว่าลามันสู้ไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกตนยุคนี้สมัยนี้ต้องฝึกตนสอนตนก็ไม่ฝึกตนสอนตนจะอยู่ในโลกแบบจับจอบหยับไปเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลา ยุคนี้ยุคทองยุคทำหลวงตาจะบอกว่ามันล่าสบายแล้วคนทุกคนโกรธเท่าก็ยังโกรธยังทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยล่าสมัยแล้ ว, เ ข, ว, นนลลวเขาไปกันแล้วเขาฝึกกันแล้วเวลาใดเราโกรธโอ้ยเราล่าสบายที่จุดเลยเหลวไหลแล้วที่จุดเวลาใดเราทุกข์เนี่ยน่าสมัยเขาไม่ทุกข์กันแล้วเรียกว่ายุคทองยุคทำกันแล้ว